สิกขาบทที่7ว่าได้การบวชให้หญิงที่มีครอบครัวซึ่งสงยังไม่ได้สมมุติเรื่องภิกษุณีหลายรูป 1,101 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตบันรามของอนาถาบินธิกาเส ธ, ธีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปีผู้ศึกษาสิกาในธรรมหข้อตลอดสองปี แต่สงยังไม่ได้สมมุติพิชฌณีทั้งหลายกล่าวว่าสิทธะมานาทั้งหลายพวกเธอจงมานี่จงรู้สิ่งนี้ประเคนสิ่งนี้นำสิ่งนี้มาฉันต้องการสิ่งนี้จงทําสิ่งนี้ให้เป็นกัปปิยะสิทธะมานาเหล่านั้นตอบว่าแม่เจ้าโพ้ดิฉันไม่ใช่สิทธะมานาผู้ิฉันเป็นพิกษุณีบรรดาภิชฌณีผู้มากน้อยพากันตําหนิระนามโพธ น, นาว่า ขณะในพวกภิกษุณีบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปีผู้ศึกษาสิกขาบราในธรรมหกข้อตลอด2ปีแต่สงยังไม่ได้สมมติเล่าครัดแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ